ผู้สรรเสริญสิ่งที่สว่างอยู่ด้วยปากกับใจปากกับใจย่อมสว่างตามความสว่างนั้นเองจะเป็นที่มาของความสบายใจหายฟุ้งซ่านเสียได้